เปลี่ยนแปลงอย่างรู้สึกตัวเราเห็นการเปลี่ยนแปลงมันจะเปลี่ยนแปลงในฝ่ายบวกฝ่ายลบก็ทําก็ตามฝ่ายสุขฝ่ายทุกข์ก็ตามให้เห็นการเปลี่ยนแปลงให้ชัดๆนี่นี่คืรูปทุกนามทุกรูปธรรมนามธรรมเราเห็นชัดตรงนั้น<ม>ทีนี้เราก็เรียงเรียบเรียงเขาคือภาวะที่ปรากฏเนี่ยมันเป็นเพียงนิดเดียวนะแต่ว่ามันบรรจุเอาไว้ซึ่งส ม, มุติภาษาสมมติทางที่จะบรรยายมันเนยอะแยะมากมายเลย